1. จักขายตนะสองโสตายตนะ 3. าคานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. กายายตนะ 6. มนายตนะ 7. รูปายตนะ 8. สศัทธายตนะ 9. คันธายตนะ 10. รสายตนะ 11. โเอ็โพธายตนะ 12. ธรมมายตนะ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 ที่เป็นปรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีมานายตนะหมวดละห้าได้แก่มานายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินรีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินรีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินรียก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมนัสสินรียก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเปกขินรีก็มี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 พาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรารคดด้วยสุขก็มีที่สหรารคดด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกริตก็มีมานายตนะหมวดสิบมีด้วยอาการอย่างนี้มานายตนะหมวดหนึ่ง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 หรือพึงเห็นรูปใดที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักสุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี่เรียกว่ารูปบ้างรู ป, ปายตนะบ้างรูปประธาต์บ้างนี่เรียกว่ารู ป, ปายตนะ 163. สรัทธายตนะเป็นไฉนะเสียงใดาอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นเสียง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 ที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีห้าสังกิรถะติกะวิสัชนาอายตนะสิบกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอายตนะสองที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเก็มี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 ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีเจปีติติกวิสัชนาอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าสหรคด้วยปีติสหรคด้วยสุข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 ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาอายตนะสองที่ต้องประหารด้วยโสโดาปัติมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี 9. ทัศน์เหตุต ok ุติกะวิสัชนาอายตนะสิบไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาม อายตนะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบน 3. สามก็มี10อาจายคามิติกวิสัชนาะอายตนะสิบไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอายตนะสอง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 รับรู้อารมณ์ไม่ได้อายตนะสองที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มี14บี่ฮีติกวิจชนาะ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 ติกมาติกาวิสัชนาจบ2ทุกกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคจั ช, ช, ะชะกาวิสัชนาน1 7ึอยจสออายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นเหตุทำมาายตนะที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีอายตนะสิบไม่มีเหตุ อายตนะสองที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอายตนะสิบวิปยุ์จากเหตุอายตนะสองที่สัมปยุจด้วยเหตุก็มีที่วิปยุ์จากเหตุก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมนาายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี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 ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มี 3. อาสะวะ โ, โคจัชกาวิสัชนาะอายตนะสิบเอ็ดไม่เป็นอาสะวะทำมาอายตนะที่เป็นอาสะวะก็มีที่ไม่เป็นอาสะวะก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของอาสะวะอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มี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 หรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและ sí. สัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะมนาญตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะที่ส mm. ัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอาสวะ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 อายตนะสองที่วิปบยุตจากอาสว ะ, ะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีที่วิบยุตจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิบยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะหรือวิปบยุตจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจชกะวิสัชนาอายตนะสิบอไม่เป็นสังโยชธรรมายตนะทีはは่เป็นสังโยตก็มีที่ไม NO ่เป็นสังโยตก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของสังโยช์อายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของสังโยช์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยช์ก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากสังโย์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 ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยตและสัมปยุตด้วยสังโยชตหรือสัมปยุตด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีอายตนะสิบวิปยุตจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยตอายตนะสองที่วิปยุตจากสังโยตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่วิปยุตจากสังโยชตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า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 ที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีอายตนะสิบวิปยุจจากคันทะอายตนะสองที่สัมปยุจด้วยคันทะก็มีที่วิปยุจจากคันทะก็มีอายตนะสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะ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 กล่าวไม่ไ no? ด้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะมนายตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีธรรมายตนะที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มี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 ที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุ์จากันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุ์จากันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีหกถึง8โอคโคจัชะกาธิวิสัตนาอายตนะส1บอไม่เป็นโอคไม่เป็นโยคไม่เป็นนิวรทมอายตนะที่เป็นนิวรก็มี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 เป็นนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์มนายาตนะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณก็มีธรรมายาตนะที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวร์แต่ไม่เป็นนิวรก็มี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 สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณก็มีทำมายัตนณะที่เป็นนิวรณและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่เป็นนิวรณก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือที่ส oh ัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอายตนะสิบวิปปะยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวร์อายตนะสอง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 ธรรมายตนะที่เป็นปรม า, ามาตก็มีที่ไม่เป็นปรม า, ามาตก็มีอายตนะสิบเป็นอารมณ์ของปรามาสอายตนะสองที่เป็นอารมณ์ของปรม า, ามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรม า, า ม, รรมาสก็มีอายตนะสิบวิปยุตจากปรามาสมาายตนะที่สัมปยุต ด, ด้วยปรม า, ามาสก็มีที่วิปยุตจากปรม า, กามาสก็มี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 ที่เป็นอารมณ์ของปรามาตตแต่ไม่เป็นปรามาตตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาต <St> แต่ไม่เป็นปรามาตตก็มีธรรมายตนะที่เป็นปรามาตตและเป็นอารมณ์ของปรามาตตก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตตและเป็นอารมณ์ของปรามาตตหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตตก็มีอายตนะสิบ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 กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือศัทธายตนะกรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออายตนะหกที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอายตนะสิบเอไม่เป็นอุปาทานธรรมายตนะที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มี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 ที่วิปยุ์จากกิเลสแต่เป็นอ า, ารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปปยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอ า, ารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุ์จากกิเลสแต่เป็นอ า, ารมณ์ของกิเลสหรือวิปปยุ์จากกิเลสและไม่เป็นอ า, ารมณ์ของกิเลสก็มี 13. บสปิดทิฐุกกวิสัชนาอายตนะสิบไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก